สบายดีคามสบายดีอจะไปพาตาท่ไปต้อเลยางไปต่มไว้ก็ต้องพาขาจกตาทั้งสองข้างหรือข้างเดียวทีละข้างเขาเป็นสองข้างดูหัวใจมันดีแต่ตามันไปก่อนไม่เป็นไรสมัยนี้ซ่อมได้ซ่อมได้ จอยู่ได้อีกงานร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกับรถยนต์ชิ้นส่วนทดแทนกันได้ไฟเสียเขาก็เปลี่ยนไฟแอร์เสียก็เปลี่ยนแอร์ร่างกายนี้เดือนนี้ก็อันไหนเสียก็มีการเปลี่ยนได้ถ้ามีผู้บริจาค อาเสียถ้ามีกนลอยจากตาก็าเปลี่ยนตาได้ อ, อวัยวะบางส่วนก็เปลี่ยนได้ mm hmm. เหมือนกันเลย mm hmm. ร่างกายกับวนยยนนี่เป็นเหมือนกันส่วนใจนี่เป็นเหมือนคนขับรถใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นผู้ขับร่างกายสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่ า, างๆ สั่งผ่านความคิดใจเป็นผู้รู้ผู้คิดใจมาได้ร่างกายตอนที่พ่อแม่สร้างร่างกายนี้ขึ้นมาเวลาเขาผสมอย่างสมัยม น, นี้ก็มีผสมเทียม <c oughs> ก็เชื้อของพ่อของของแม่มากปนปรวมกันใจก็จะมาเกาะเป็นการประชุมของสามฝ่ายถึงจะเกิดร่างกายขึ้นมา ปชุมเชื้อของพ่อของแม่กับใจดวงวิญญาณที่ไม่มีร่างกายเช่นเวลาใจของเราเวลาร่างกายของเราตายไปนี้ใจของเราก็ไม่มีร่างกายก็ต้องไปคอยรับร่างกายอันใหม่แล้วแต่วาระแล้วแต่คิวแล้วแต่บุญแล้วแต่อะไรมีปัจจัยหลายอย่าง พอถึงเวลาที่จะได้ร่างกายใจก็เข้าไปครอบครองแล้วพอร่างกายจเจริญมเติบโตอยู่ในท้องแม่ไม่ได้ก็ค้อออกมาพอข้อออกมาใจก็หัดขับร่างกายนี่หัดคลานหัดเดิน ห, ดหัดยืนหัดเดินหัดทำอะไรต่างๆเพราะยัง มันกับซื้อรถมาแต่ยังขับไม่เป็นก็ต้องไปหัดขับก่อนได้รถใหม่มาเราก็หัดขับกันร่างกายนี้ก็เหมือนกันพอ อ, ออกจากท้องแม่มาก็เริ่มหัดใช้ร่างกายทําเลยต่างๆทำตัวก็หัดกินหัดนอนหัดขับถายแล้วต่อมาก็หัดแต่งเนื้อแต่งตัวหัดคลาน หัดยืนหัดเดินหัดวิง่งต่อมาก็ไปหัดเรียนไปหาความรู้ไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือเพราะเราจะต้องใช้ความรู้เหล่านี้วิธีการเหล่านี้ในการพาร่างกายของเราให้ไปหาความสุขต่างๆให้กับเราพอเราเรียนจบเราก็มีความรูว้วิธีหาความสุขต่างๆ หาเงินถ้ามีเงินก็สามารถไปซื้อความสุขต่างๆได้อยากจะได้อะไรที่ชอบก็ซื้อมา <c oughs> อยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปเนี่ยใจเป็นผู้ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆเหมือนกับเราใช้รถยนต์เป็นเครื่องมือพาเราไปตามสถานที่ต่างๆรถยนต์ก็ ใช้ไปใช้ไปมันก็ชำรุดสุดโทรก็ต้องมีเวลาเข้าอู่ร่างกายใช้ไปใช้ไปก็ไม่สบายก็เข้าอู่เข้าโรงพยาบาลรักษาไปตามเหตุตามผลบางอย่างก็รักษาได้บางอย่างก็รักษาไม่ได้รักษาไม่ได้ก็บางทีก็ตายไปรถยนต์ถ้าซ่องไม่ได้มัน มันพังมากเช่นประสบอุบัติเหตุมันพังมากก็ซ่อมไม่ได้ก็ขายเป็นเศษเหล็กไปร่างกายเราก็ยกให้สับเล่ไปแต่ใจที่ขับก็ไม่ได้ไปกับร่างกายคนขับรถก็ไม่ได้ไปกับรถคนขับรถก็ไปซื้อรถใหม่ถ้ายังอยากจะใช้รถอยู่ก็ไปซื้อหาซื้อรถใหม่ จะซื้อรถใหม่นี่ก็อยู่ที่กำลังทรัพกํกำลังเงินกาลังซื้อว่ามีเงินมากเงินน้อยถ้ามีกำลังซื้อมากก็ซื้อรถใหม่ที่ดีกว่าเก่าได้ถ้ามีเงินน้อยก็อาจจะซื้อรถไม่ดีเท่ากับของเก่าเคยขับเบ้นอาจจะต้องมาขับอย่างอื่นแทนแต่ถ้าเคยขับอย่างอื่นล้วมีเงินมากกว่าเก่า ก็ไปซื้อแบนมาลับหรซื้อรลสรอยมาลับก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันร่างกายของเราจะกลับมาได้ดีกว่าเกา่าหรือเร็วกว่าเกา่าก็อยู่ที่บุญที่บาป ท, ที่ที่เราทํากันถ้าเราทําบุญมากกว่าบาปกลับมาเราก็จะได้ร่างกายที่ดีกว่าเกา่าถ้าบาปมากกว่าบุญกลับมาก็จะได้ร่างกายที่เร็วกว่าเกา่า พบุญก็เป็นเหมือนเงินฝากในธนาคารส่วนบา ก, ก็เป็นเหมือนเงินกู้ที่เราไปกู้จากธนาคารถ้าเงินกู้มากกว่าเงินฝากเราก็ติดลบถ้าเงินฝากมากกว่าเงินกู้เราก็ติดบวกถ้าบุญมากกว่าบาปเราเวลาตายไปเราก็ได้ไปเที่ยวก่อนไปเที่ยวในสวรรค์ แล้วพอกลับมาจากท่องเที่ยวเราก็มาได้ร่างกายมนุษย์อันใหม่ที่ดีกว่าอันเก่าฐานะการเงินการทองก็ดีกว่าเก่าส่วนถ้าเราทำบาปมากกว่าบุญเราก็ต้องไปไปเที่ยวในอบายไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรก แล้วพอเราเกลับมาจากกระบายเราเก็มาได้ร่างกายของมนุษย์ที่เร็วกว่าเก่ารูปร่างหน้าตาไม่สวยงามเหมือนของเก่าอาการสามสิบสองอาจจะไม่ครบเหมือนของเก่าอายุอาจจะสั้นกว่าของเก่านี่เป็นวิบาของกรรมของบาป ท, ที่เราทํากันถ้าเป็นบุญก็กลับมาได้ร่าง ร่างกายที่สวยงามกว่าเก่ามีการหน้าการเงินที่ดีกว่าเก่าอายุยืนยาวนานกว่าเก่าผิวพรรณผ่องใสกว่าเก่าอันนี้สังเกตได้บางทีเกิดพี่น้องเกิดมาจากพ่อแม่คนเดียวกันแต่มีความมีฐานะแตกต่างกันรูปร่างหน้าตาสวยงาม ไม่สวยง า, ตามต่างกันผิวพรร์ก็เหมือนกันอันนี้เป็นอั น, นิี่สองของบุญฤาษีบาที่ได้ทำไว้นี่คือการเวียนว่ายตายเกิดที่พวกเรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอย่างต่อเนื่องอย่างไม่มีวันหยุดมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ คือใจนี่เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นธาตรู้เป็นธาตรู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดแล้วก็มีความอยากที่เป็นตัวคอยพลักดันให้ไปเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะความอยากนี่จะทำให้เราต้องไปมีร่างกายเรามีความอยากอะไรบ้างราอยากดูไม้มอยากฟังเอม อยู่เฉยๆได้ไหมถ้าไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรฟังอยู่ได้ไหมทาไมเราต้องมีทีวีกันทําไมต้องมีเครื่องเสียงกันก็เพราะเรายังมีความอยากอยากดูภาพต่างๆดูภา พ, พ ย, ายนตร์ดูละครเสียงเพลงเราก็อยากจะฟังนอกจากนั้นเรายังอยากจะดมของหอมๆดมกลิ่นหอมๆริมรถรถของที่เราชอบะ รสหวานอย่างเนี้ยรสหวานมันเค็มเนี่ยเวลารับประทานอาหารทำไมต้องใส่เครื่องปรุงกันเพราะความอยากใช่ไหมอยากในรสให้มันเค็มให้มันหวานให้มันเปรี้ยวเนี่ยนี่คือความอยากที่มีอยู่ในใจของพวกเรามันทําให้เราต้องไปหารูปเสียงเกลื่นรสต่างๆมาเสรรูปเสียงเกลื่นรสนี่ก็ ยาเสพติดดีๆนี่เองเสพแล้วติดหรือเปล่าสุรานี่ก็เป็นรูปเสียงกิ่นรดอย่างหนึ่งบุหรี่ก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรดอย่างหนึ่งของต่างๆที่เราเสพผ่านทางตะวันทั้งห้านี่เป็นเหมือนยาเสพติดเพราะเสพแล้วมันติดบางอย่างมันติดความความติดมันก็มีแบบติดหนักหรือติดเบาของบาอย่างติดแล้วก็เล่ออยายาก อามื่อยังติดก็ยังพอจะเลิกได้ยาเสพติดนี้ติดแล้วเลิอกอยากสุราบุรี่ก็ลองลงมากาแฟแะอะไรต่างๆก็ลองลงมาภาพยนตร์ละครก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่เราเสพเราติดกันความอยากนี่แหละความอยากในสิ่งเหล่านี้แหละที่ทําให้เราเวลาร่างกายนี้ตายไป ทำให้เราต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่กันเพราะถ้าไม่มีร่างกายเราก็จะเสพไม่ได้เสพรูเสียงเก่นรถไม่ได้เราก็ต้องมาเกิดกันใหม่พอเกิดแล้วเราก็ต้องมาเหมือนกับรถยนต์ันใหม่ก็ต้องมาดูแลรถยนต์กันหัดขับรถยนต์กัน คอยเติมน้ำมันคอยเติมลมเติมน้ำคอยล้างรถคอยเช็ดรถถูรถแล้วก็ต้องคอยเอาเข้าอูอ่ซ่อมบำรุงใช้ไปเรื่อยๆสักวันมันก็เริ่มเสียชำรุดก็เข้าอู่ใช้ไปบ่อยๆเข้าก็ชำรุดมากขึ้นมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนต่อไปก็เปลี่ยนไม่ได้ ก็ต้องขายทิ้งไปเป็นเศษเล็กคนขับก็ไปซื้อตู้ดขันใหม่ระหว่างที่เรามาเกิดนี้เราก็มาทำอะไรต่างๆหาความสุขในรูปแบบต่างๆด้วยวิธีการต่างๆั้งที่เราก็หาโดยวิธีที่ไม่ถูกคือหาโดยวิธีที่ด้วยการทำบาป เันอยากได้อะไรเราไม่มีเองไม่มีปัญญาที่จะไปซื้อหามาก็ไปรักขโมยบางคนก็ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเป็นเครื่องมือเลี้ยงเลี้ยงชีพชาวนาชาวไร่บางทีเขาไปยิงนกตกปลากันชาวประมงก็ไปหาปลากันมากินมาขายอันนี้ก็เป็นการทำบาป ในการดำรงชีพก็จะสะสมบาปไปเรื่อยๆแต่บางคนทำบาปแล้วก็ใจก็ยังอยากจะทำบุญอยู่เช่นชาวชาวบ้านที่เป็นชาวประมงศนี่เขามีอาชีพหาปลาแต่เขาก็ใส่บาตรมีมีพระพุทธศาสนามาสอนให้ใส่บาตรกันเขาก็ได้ทำบุญด้วย ได้ทำบุญทุกวันใส่บาต ท, ทุกวันก็ยังดีที่เขามีบุญได้ทําบุญเพราะเวลาตายบุญกับบาปนี้ก็ยังจะมาเป็นผู้ตัดสินว่าใจที่หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจะไปทิศทางไหนถ้าเขาทําบุญมากกว่าเขาทําบาปเขาก็จะไปรับผลบุญก่อน ถ้าเขาทําบาปมากกว่าทาบุญเขาก็จะไปรับผลบาปก่อนแล้วพอบุญกับบาปนี้มีกําลังเท่ากันก็ไม่สามารถส่งไปสวรรค์หรือไม่สามารถส่งไปอาบายได้ช่วงนั้นเขาก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทําบุญทําบาปเป็นใหม่ถ้าชาติไหนได้ไปเกิดในครอบครัวที่ รู้เรื่องบาปบุญรู้เรื่องนรกสวรรค์ได้พบกับครอบครัวที่เคารบนับถือพระพุทธศาสน า, าก็จะได้รับการอบรมสั่งสอนให้ทําบุญไม่ให้ทําบาปก็จะมีบุญมากกว่าบาปถ้าทําตามคำสอนของพระพุทธศาสน า, าพระพุทธเจ้าสอนให้ให้ละการกระทําบาปทั้งปวงให้ทํากุศล บุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมถ้าเราทาตามที่พระเจ้าสอนได้นีนทุกพพทุกชาติที่เรากลับมาเกิดเราก็จะกลับมาทำบุญละบาปแล้วพอตายไปบุญก็จะมีมากกว่าบาปเราก็จะไปรับผลบุญกันไม่ต้องไปรับผลบาปพอบุญกับบาปมีกําลังเท่ากันเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ถ้าเราทำบุญละบาปจนติดเป็นนิสัยเราก็จะทำบุญละบาปไปเรื่อยๆทำมากขึ้นไปเรื่อยๆโอกาสที่จะไปเกิดในบาปนี้ก็จะมีน้อยเผื่อเวลาเราไปเกิดในครอบครัวที่เขาไม่สอนเราให้ทําบุญละบาปเขากลับสอนในทางตรงกันข้ามให้ทาบาปไม่ได้ทําบุญ อันนั้นเราก็อาจจะต้องไปอบายเวลาตายไปบาปมากกว่าบุญนี่คือกระบวนการของการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเราเบื่อเก่าต่อการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเกิดมาแต่ละครั้งก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากของทั้งหมดที่เราหามาได้ในชาตินี้ แต่เราให้หาอะไรมาได้มากน้อยเพียงไรเอาตายไปเอาไปไม่ได้เลยเอาไปได้ก็บุญกับบาปหรือถ้าเราได้พบกับพระพุทธเจ้าได้แล้วพบกับพระธรรมคาสอนได้พบกับพระอริยสงสาวกเราก็จะได้เรียนรู้วิธีที่ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ รู้ว่าเหตุที่ทำให้พวกเรากลับมาเกิดกันคืออะไรก็คือความอยากสามประการความอยากในรูปเสียงกลิ่นนถเรียกว่าการละตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากมีชื่อมีเสียงอยากสวยอยากงามอยากร่ำอยากรวยนี่เรียกว่าความอยากมันก็จะทำให้เราเดินไปหาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ พอตายไปก็กลับมาหาใหม่วิภาวะทันหาก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่จนอยากไม่ อ, อยากไม่ไม่พบกับสิ่งที่เราไม่อยากจะพบอย่างนี้มันก็จะทําให้เรา่นหนีพอเจอก็นหนีหนีด้วยการฆ่าตัวตายกันคนเวลาที่เขาเจอความทุกข์มากๆเขาก็ ฆ่าตัวตายหนีความทุกข์ก็จะไปหาความสุขเขาก็ไปหาร่างกายหน่อยเพราะเขาคิดว่าหนีหนีจากความทุกข์ก้นนี้แล้วเขาก็จะได้พ้นทุกข์แต่ไม่พน้นเพราะเขายังมีความอยากที่ทําให้เขาอยากจะกลับมาเกิดใหม่พระพุทธเจ้า ก, ก็เลยสอนว่าถ้าเราอยากจะไม่กลับมาเกิดใหม่เราก็ต้องมาหยุดความอยากทั้งสประเภทนี้ เช่ให้ถือศีลปดนี่เเป็นวิธีการยุติการทำตามความอยากในทางกามคือรูปเสียงกลิ่นรสตาหูจมูกนิ้วกายไม่เสร็จกะคนถือศีลแปนี้เขาจะไม่เสร็จความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเช่นศีลข้อสามเขาก็ไม่ร่วมหลับนอนกับสามีภรรยา เด็สินแตกก็ต้องอยู่กันคนละห้องก็อยู่คนละบ้านอย่างมาวันนี้เขาก็ไม่ให้อยู่ที่เดียวกันมีที่แยกให้อยู่กันเพจะได้ไม่เสกกลามไม่เสพลูกเสียงกลิ่นรสของสามีของภรรยาแล้วก็ไม่เสกลูกเสียงกลิ่นรสของอาหารของรับประทานต่างๆให้รับประทานได้แต่รับประทานแบบรับประทานยา ให้รับประทานพอให้ร่างกายอยู่ได้แต่ไม่ให้รับประทานด้วยความอยากคือมีเวลาให้รับประทานแล้วมีประมาณให้รับประทานรับประทานพอประมาณแล้วบางทีก็ต้องบังคับไม่ให้รับประทานของที่เราชอบเพราะถ้ารับประทานของที่เราชอบก็แสดงว่าเรายังอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารอยู่ต้องรับประทานของที่เราไม่ชอบ หรือเอาหารที่เราชอบมาคลุกกันมารวมกันก่อนที่จะให้มันเข้าไปในท้องก่อนที่มันจะไปรวมกันในท้องการมันรวมกันในจานก็ได้ถ้าอาหารต่างๆที่เราชอบมาคลุกมารวมกันนี้มันก็จะทำให้เราไม่อยากจะรับประทานเราก็จะรับประทานด้วยการบังคับเหมือนเหมือนรับประทานยาเวลาเรารับประทานยาเราอยากรับประทานไว้ถ้าเป็นยาขมนี่ไม่อยากจะรับประทาน แต่รู้ว่าถ้าไม่รับประทานเดี๋ยวร่างกายก็ไม่หายจากโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องฝืนรับประทานถ้าเราจะรับประทานอาหารท่านบอกให้รับประทานแบบฝืนอย่าไปรับประทานด้วยความอยากด้วยความยินดีถ้ารับประทานแบบฝืนนี่มันก็จะรับประทานเพราะมันจําเป็นต้องรับประทานรับประทานตอนเวลาที่ต้องรับประทาน มันก็จะทาให้ไม่มีความหิวโหยความอยากกับการรับประทานอาหารถึงถึงเวลามือเย็นก็ไม่หิวไม่อยากกินเพราะถ้าต้องกินอาหารแบบแบบกินยาไม่กินดีกว่าถ้าต้องเอาอาหารทั้งหลายที่เราอยากจะกินมาคุกกันเลยมันก็ไม่กินดีกว่า น, นี่ก็ถึอสี่แปดก็เป็นการบังคับ ยังไม่กําจัดเพียงแต่เบรกมันปิดกั้นมันไม่ให้มันไปทําหาความอยากทางตาหูจบอกมือกายสินข้อที่เจ็ดก็ไม่ให้ไปไปดูพวกมหัระศพบันเทิงร้องรำทําเพลงไอ้ตามบาตามผับตามโรงภาพยนตร์ตามแหล่งที่เขามีบันเทิงต่างๆแล้วก็ให้ ละเว้นจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาทำเเผาทำผมอันนี้ก็เป็นการหาความสุขทางตาหูจมูกมือกายแล้วก็ไม่ให้นอนมากเกินไปการนอนนอนมากเกินไปก็เหมือนกับการรับประทานมากเกินไปร่างกายมันมีความขีดความต้องการของการพักผ่อนหลับนอน พระพุเจ้าบอกนอนคืนละสี่ชั่วโมงก็พอถ้ามากว่านั้นแสดงว่านอนด้วยความอยากอยากจะสบายจากการหลับนอนท่านจะบังคับไม่ให้พระนอนเกินสี่ชั่วโมงท่านจะสอนไม่บังคับท่านสอนไว้ภาวนาปฏิบัติตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มพอสี่ทุ่มก็ให้ พ, พักผ่อนหลับนอนถึงตีสองพอตีสองก็ให้ลุกขึ้นมา เวลานอนก็ให้นอนตะแคงขวาจะได้จะได้นอนไม่สบายเกินไปถ้านอนแบบนอนหงายหลังเนี่ยมันก็จะนอนเหมือนคนตายก็จะนอนสบายนอนนานพอร่างกายได้พักผ่อนพอขึ้นมาแล้วพอรู้สึกตัวก็จะไม่อยากลุกถ้านอนบนฟูก น, านาั้นนะบนเตียงใหญ่ๆนั่นก็ได้ให้นอนบน บนพื้นแข็งๆมันนอนแล้วไม่สบายนอนตะแคงขวาก็เรียกท่าสีหาสายยากถ้าราชศรีนอนถ้านอนแบบอหงายเอ็นหลังหงายหงายหน้าขึ้นมาเนี่ยนอนเหมือนคนตายหน่อนถ้าคนตายนอนคนตายนอนเ น, น, น, น, น, นี่ยมันจะนอนนานพอรู้สึกตัวแล้วก็ไม่อยากจะลุกเพราะมันสบาย นึนทันสอนให้นอนแค่4ชั่วโมงก็พอสำหรับพักผ่อนทางร่างกายพอตีสองลุกขึ้นมาก็ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิไปถึงสว่างถึงเวลาออกบินทบาทนี่คือศีล8ปดข้อที่จะช่วยกำจัดช่วยตัดความอยากให้มันเบาบางลงแต่ยังไม่ตายเพราะความอยากมันยังมีอยู่ในใจอยู่ กาท้มันตายนี้ต้องปฏิบัติภาวนาต่อสมถะภาวนากับวิปัสนาภาวนาสมถะก็ทำใจให้นิ่งให้สงบให้หยุดความคิดใจคิดใจก็จะไม่นิ่งใจก็ไม่สงบถ้าหยุดความคิดได้ใจก็จะนิ่งจะสงบสงบแล้วก็จะหยุดความอยากได้เพราะเวลาใจสงบความอยากทางานไม่ได้ เวลาใจสงบความอยากไม่ทำงานใจก็เลยเบามีความสุขมีความอิ่มมีความพอที่พวกเรามาถือศีลแปดมานั่งสมาธิกันก็เพื่อให้เรามาหาความสุขทางใจกันหาความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขของทางร่างกายเราอยู่บ้านกันเราเที่ยวกันหาความสุขทางร่างกายกัน แต่มันก็เป็นความสุขแบบยาเสพติดเศษเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเสบมาตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้ก็ยังไม่อิ่มไม่พอยังต้องดูรูปฟังเสียงนมกลิ่นลิ้นรสลิ้นรสอยู่อย่างนี้ไปเวลาไม่ได้สัมผัสไม่ได้เสพก็หดเหยียดลำคาญใจว้าเหวเศร้าซ้อยง้อยเหงานี่ก็ ทของการที่เราไปเสดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่ได้นำไปสู่ความสุขที่ถาวรมันนำไปสู่ความสุขชั่วคราวแล้วความทุกข์ที่ตามมาเวลาที่ความสุขชั่วคราวนั้นมันจางหายไปเราเลยต้องมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันใหม่มาหาความสุขที่มันจะถาวรมันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆคือความสุขที่เกิดจากการทาใจให้สงบ หยุดความคิดด้วยการเจริญสติก็คุมความคิดไม่ให้คิดด้วยการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งจดจ่ออยู่คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปใจก็คิดอะไรไม่ได้ถ้าจะคิดอยู่กับพุทโธพุทโธก็จะไปคิดถึงการไปเที่ยวไปดูดูหนังฟังเพลงก็คิดไม่ได้หรือถ้าเราจดจ่ออยู่กับการกระทาของร่างกายการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกาย ใจก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ถ้าเราคอยเฝ้าดูร่างกายใจมันจะอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าเราไม่มีสติมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาอยู่ที่นี่ปั๊บไปที่นูน่นปั๊บคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็กลับมาที่ร่างกายเราจะทำอะไรหลายหลายอย่างสลับกันไปถ้าเราไม่มีสติเราเดินไปเราก็คิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไปได้ เราไม่ต้องการให้คิดแบบนั้นเราต้องการให้อยู่กับร่างกายไปตลอดเดินง่ายอยู่กับการเดินไปอย่างเดียวหรือให้อยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาคิดถึงขนมนมเนยก็อยากจะรับประทานคิดถึงภาพยนตร์ก็อยากจะดูคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากจะดื่มเราต้องมาหยุดความคิดด้วยการเจริญสติ ควบคุมจิตหายใจให้รู้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทำต่างๆของร่างกายใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ถ้าต้องการให้มันสงบเต็มที่ก็ต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาไม่รับรู้อะไรทางผ่านมาทางตาหูจมูกมืนกายให้จดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือให้จดจ่ออยู่กับคาบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปก็ได้ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะมาปนกันก็ได้แล้วแต่อัธยาศัยบางคนก็คนผสมกันพูดเข้าโทรออกหายใจเข้าก็ว่าพูดหายใจออกก็ว่าโทรบางคนก็ไม่เอาเอาพุดโทพูดโทไปเลยไม่ต้องยุ่งกับเรื่องลมบางคนก็ไม่อยากจะยุ่งกับพุดโทก็เอาลมอย่างเดียวดูลมอย่างเดียวหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออก รู้เพียงแค่นี้แล้เาเดี๋ยวมันก็จะสงบรวมเป็นสมาธิขึ้นมาพอ ร, รวมแล้วมันก็จะนิง่งจะสบายมีความสุขมีความเป็นกลางปราศจากอารมณ์รักชังกลัวหลงใจจะสักตะวัรู้เฉยๆจะไม่วุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสรับรูเ้เวลาออกจากสมาธิใหม่ๆใจจะเย็นจะสบาย เห็นอะไรก็ไม่รู้เฉยๆได้ยินอะไรก็เฉยๆต่างกับก่อนเวลาที่เข้าไปในสมาธิได้ยินอะไรก็อดกิจนำคาญใจอโมโหโทโอแต่พอออกจากสมาธินี่มันเป็นกลางมันไม่มีอารมณ์กับอะไรแต่มันจะอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็จะจางหายไปเหมือนกับน้ําเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นพอ แช่เย็นในตัวเย็นออกมาใหม่ๆมันก็เย็นทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวความเย็นมันก็หายไปสิ่งที่ทำให้ความเย็นของใจหายไปก็คือความรุ่มร้อนของรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยพอเรามาสัมผัสรูปเสียงก ล, ลิ่นรสใจเราก็จะร้อนขึ้นมาร้อนด้วยอารมณ์อยากอารมณ์รักอารมณ์ชัง ก, ก็จะกลับคืนมาใหม่ถ้าเราอยากจะให้ใจเราเย็นต่อไปเราก็ต้องใช้ปัญญา พิจารณารูปเสียงเ ก, กิบนัดว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะปล่อยวางเขาเราก็จะไปไม่ไม่ไปมีอารมณ์กับเขา <S <S 1> <S 1> จนเห็นอะไรเกิดความรักขึ้นมาก็พิจารณาว่ารักเดี๋ยวก็ตายสิ่งที่เรารักเดี๋ยวมันก็จากเราไปเวลาจากกันก็ทุกข์สู้อย่ารักดีกว่า ถ้าไม่รักเราก็ไม่ทุกเวลาจากกัน เ, เวลาชังพอเจออะไรที่เราชังก็ทุกขึ้นมาทันทีเพราะอยากจะให้เขาหายไปแต่เราก็สั่งเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาก็หายไปเองไม่ต้องไปสั่งเขาทําใจเฉยๆอย่าไปชังเขาทําใจให้เหมือนกับเรารักเขาได้ก็สบายอยู่กับเขาไดา้สอนใจอย่างนี้ว่าไปรักไปชังก็จะทำํำให้ทุกข์ขึ้นมา ก็จะมีความอยากถ้ารักก็อยากได้ถ้าชังก็อยากให้มันหายไปแต่บางทีเราให้มันหายไปไม่ได้ต้องอยู่กับมันก็ต้องอยู่แบบเฉยๆอย่าไปชังเขาทำใจถ้าชาังก็ใช้พุโทโธพุโทโธดึงกลับมาบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเหลือพอเราไม่คิดถึงสิ่งที่ทำให้เราเกลียดชงังมันก็ความเกลียดชังก็จะหายไป เราใช้ปัญญามองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นด้วยตานี่มันทามาจากาแหล่งเดียวกันเคืมาทำมาจากดินน้ำลมไฟนันั้นเนะขาต่างๆที่เราเห็นกันนี่มันเป็นธาตุสี่ผสมกันบ้างเป็นธาตุแยกกันในตัวของมันเองบ้างเช่นเห็นน้ำเนี่ยมันก็เป็นธาตุน้าเห็นลมเนี่ยมันก็เป็นธาตุลม แต่เห็นร่างกายของคนนี้มันก็เป็นการรวมของธาตุสี่ดินน้ําลมไฟมาทําให้เกิดอาการสามสิบสองขึ้นมาเกิดผมขนเล็ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกคนที่เรารักมันก็ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกคนที่เราช่างมันก็ผมขนเล็ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกผมมันก็ผมเหมือนกันหนังก็หนังเหมือนกันถ้าไปแม่เกลียดผมอันนี้แต่ไปรักผมอันนี้ มันก็เป็นผมเหมือนกันไม่ใช่ขนมันก็ขนเหมือนกันเล็บก็เล็บเหมือนกันฟันก็ฟันเหมือนกันหนังก็หนังเหมือนกันไอ้ที่เราไปรักไปชังไม่ใช่ไม่ใช่รูปร่างเราไปรักไปชังที่พฤติกรรมเ็ามากกว่าถ้ารูปร่างก็ตรงที่มันดูน่าดูหรือไม่น่าดูรูปร่างบางคนก็อับประรักบางคนก็สวยงามเราก็ต้องไปมองสวยงามก็มาจากดินหน้าดวไฟ อัปลักษ์ก็มาจากดินน้ำลมไปเดี๋ยวสักวันหนึ่งของที่สวยงามมันก็จะกลายเป็นของอัปลักษ์ไปเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายมันก็เหมือนกันถ้าใช้ปัญญาเราก็จะสามารถระ ง, งับความชังในร่างกายได้แล้วเราก็จะเฉยๆกับร่างกายส่วนถ้าเป็นพฤติกรรมเราก็ห้ามเขาไม่ได้ เขาจะดีคเขาจะชั่วแล้วมันก็เป็นเรื่องของเขาบางทีเราบอกเขาได้ก็ดีไปบอกไม่ได้ก็ต้องทําใจเป็นเรื่องของเขาถ้าเรายังต้องอยู่ด้วยกันก็อยู่แบบเฉยๆไปไม่ต้องไปยุ่งกันเออถ้าไม่มีชังเราก็อยู่กันได้มีรักก็ไม่ดีเพราะเดี๋ยวเวลาจากกันก็ทุกข์เอง้็อยู่แบบไม่รักไม่ชังดีที่สุด ใจก็จะสบายไม่วุ่นวายม่กับการมาการไปของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆเพราะของทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันไปมามันเกิดดับมีขึ้นมีลงมีเจริญมีเสือ่อมนี่คือการใช้ปัญญาวิปัสสนาให้มองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติมีทั้งที่ดีและไม่ดีสลับกันไปสลับกันมา เราไปห้ามมันไม่ได้แต่เราอยู่กับมันได้ถ้าเราเฉยๆไม่ไปมีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆเพราเราสอนใจเรใจก็จะเห็นว่าการรู้เฉยๆดีที่สุดเห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้ไปเห็นคนดีก็สักแต่ว่ารู้เห็นคนไม่ดีก็สักแต่ว่ารู้ไม่ต้องไปมีอคติกับเขาไม่ต้องไปรักไปชังเขา ไม่ต้องไปเกลียดไปกลัวก็แล้วใจก็จะสงบมีความสุขสบายไม่วุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆที่ใจมาสัมผัสรับรู้แม้แต่ร่างกายก็ก็รู้ไปเวลายังไม่แก่ก็รู้ว่ายังไม่แก่เวลาแก่ก็รู้ว่าแก่เวลายังไม่เจ็บก็รู้ว่ายังไม่เจ็บเวลาเจ็บก็รู้ว่าเจ็บ เวลาไม่ตายก็ยังรู้ว่าไม่ตายเวลาตายก็รู้ว่าตายอย่าไปมีอารมณ์กับมันแล้วเราจะไม่ทุกข์แต่เรามักจะมีอารมณ์กับมันเวลาแก่ก็มีอารมณ์อยากไม่ให้มันแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากให้มันหายเวลาจะตายก็อยากให้มันไม่ตายพอมีอารมณ์เหล่านี้มันก็เลยสร้างความเครียดสร้างความทุกข์ให้กับใจ ถ้าใจอยากสุขอยากสบายกับความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องสักแต่ว่ารู้ไปรู้เฉยๆอยากไปรักอยากไปชังอยากไปกลัวไปหลงกับร่างกายแล้วใจจะไม่ทุกข์กันนี่คือวิธีที่จะทำให้เราหยุดความอยากต่างๆหยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเพราะเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ หยุดความอยากมีอยากเป็นก็เหมือนกันมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์อยากความอยากไม่มีอยากไม่เป็นมันก็เหมือนกันของมันไม่เที่ยงถ้าไปอยากเราก็จะเป็นทุกข์พอเราหยุดความอยากทั้งสามตัวนี้ได้เพราะเราเห็นว่าเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเราก็จะสบายเวลาตายไปก็จะไม่มีความอยากจะกลับมาเกิดใหม่ เพราะไม่มีความอยากจะมีอยากจะมาเสพกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกรื่นกายเหมือนถ้าเราไม่อยากจะเดินทางไปไหนมาไหนเราก็ไม่ต้องมีรถอยู่บ้านสบายกว่าที่เราต้องไปเพราะมีความอยากไปกันอยากไปเที่ยวนอกบ้านก็เต้องมีรถพาไปแต่ถ้าในบ้านมีความสุขมีทุกอย่างที่เราต้องการอยู่ที่บ้านสบายกว่าออกไปหาความสุขนอกบ้าน ออกไปหาความสุขนอกบ้านก็ต้องไปเสียงภยัยบนท้องถนนเสียงภัยกับคนไม่ดีไปเจอคนไม่ดีไปเจออะไรเหตุการณ์ไม่ดีอยู่บ้านปลอดภัยกว่าคนที่มีความสุขทางใจก็ไม่อยากจะไปหาความสุขจากทางร่างกายทางตาหูจะบวกเล่นกายก็ไม่ต้องมีร่างกายคนที่ไม่อยากจะออกไปนอกบ้านก็ไม่ต้องมีรถ แบบเดียวกันการที่เรามีอะไรต่างๆเพราะความอยากพอะเรามีความสุขในใจแล้วเราก็ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรเราก็หยุดหาสิ่งต่างๆหยุดหาร่างกายอันใหม่เวลาร่างกายอันเก่าตายไปก็จบไม่มีร่างกายอันใหม่อยู่กับความสงบไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ยังอยู่เหมือนขณะนี้แต่ตอนนี้อยู่แบบทุก ทุกขกับสลับความสุขเวลาได้อะไรถูกใจก็สุขพอเสียอะไรไปก็ทุกข์เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็ทุกข์แต่ถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องทุกข์ก็จะสุขไปถ้ารู้จักวิธีหาความสุขจากการทำใจให้สงบด้วยการจเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา นี่เือเรื่องร่างกายกับใจเราต้องมาศึกษาทางความเข้าใจให้รู้ว่าแต่เราควรจะปฏิบัติกับทั้งสองส่วนนี้อย่างไรกับร่างกายเราก็ต้องปล่อยวางแล้วก็อย่าไปใช้มันหาความสุขต่างๆถ้าเราไม่หาความสุขถ้าเราตัดความอยากในการหาความสุขทางร่างกายได้ใจของเราก็จะสงบมีความสุข อาใจของเราก็ไม่ทุกข์กับอะไรที่พวกเราทุกข์กับการทุกวันนี้ก็ทุกข์กับสิ่งที่เราอยากได้เพราะสิ่งที่เราอยากได้มันไม่ถาวรได้มาลาดเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเลือซูนไปหมดไปเวลาเปลี่ยนไปเลื่อซูนไปก็ทําให้เราเสียใจทุกใจแต่ก็ไม่เข็ดก็ไปหามาใหม่หามาเท่าไหร่หามากกี่ครั้งมันก็เหมือนกันเดี๋ยวก็ต้องเจอความทุกข์ เหมือนเดิมคนที่เขาแต่งงานเลิกกันอยากันนี่เพราะเวลาได้กันใหม่ๆก็ถูกใจกันเอาใจกันพออยู่ด้วยกันไม่นานก็เปลี่ยนไปเคยเอาใจก็ไม่เอาใจเคยเอาใจเขากับว่าเอาใจตัวเองก็เดี๋ยวก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ อ, อยากันอยากันเดี๋ยวไปเจอคนใหม่ก็เอาใหม่ก็เหมือนกันสิ่งต่างๆที่ราหามาก็แบบเดียวกัน หามาแล้วก็ดีใจมีความสุขใจเดี๋ยวสักพักก็หมดไปหรือเบื่อมันมเห็นไหมเสื้อผ้าซื้อมาใหม่ๆก็ใส่กันใส่ไปสักพักก็เบื่อต้องซื้อใหม่นี่คือความทุกข์ที่พวกเราสร้างกันขึ้นมาเองด้วยความหลงหลงคิดว่าการทําตามความอยากจะให้เรามีความสุขกัน มีพระพุทธเจ้านิชลาท่านบอกว่าการที่เราจะมีความสุขกันต้องเราต้องฝืนความอยากกันเราต้องหยุดความอยากกันเวลาใจไม่มีความอยากใจจะสงบใจสงบแล้วก็จะมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องกลับมาทุกกับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุข ไม่มีความทุกข์อย่างถาวรเราก็ต้องปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้เราหยุดหาความสุขทางร่างกายกันหยุดหาเงินกันหาถ้าจะหาก็หาเฉพาะมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปให้อยู่ไปวันวันหนึง่งเพื่อจะได้ปฏิบัติตัดความอยากต่างๆอย่าเอาเงินไปซื้อของตามความอยากไปใช้ตามความอยากเพราะมันจะนำไปสู่การ ก็ทําที่ไม่มีวันสิ้นสุดก็ต้องกลับมาเกิดหาเงินอยู่เรื่อยๆกลับมาเกิดหาเงินใช้เงินไปเอาเงินมาซื้อรูปเสียงเกตรถมาซื้อตําแหน่งมาซื้ออะไรต่างๆ ม, มาซื้อลาบยศจันทรรเซิร์นกันแล้วเดี๋ยวร่างกายก็ตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่แต่ถ้าเราหยุดใช้เงินเอานวันที่เหลือใช้นี้ไปทําบุญแทน ถ้าไม่เก็บเอาไว้ก็ไปทำบุญะถ้าเก็บไว้แล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อของตามความอยากก็เอาไปทำบุญถ้าหากห้ามใจไม่ได้พอมีเงินเห็นของอยากได้ก็จะซื้อก็เอาไปทำบุญหรือซื้อของที่เราอยากได้แล้วก็เอาไปให้คนอื่นนะเอาไปทำบุญแทนอยากได้เสื้อผ้าชุดใหม่ก็ซื้อมาแล้วก็เอาไปให้คนอื่นถ้าซื้อแบบนี้ไม่กี่ครั้งมันก็ไม่อยากจะซื้อซื้อแล้วตัวเองเก็บไว้ไม่ได้ก็ไม่ไอยากจะซื้อ แล้วไปเอาไปทำบุญอย่างได้กระเป๋าไปมาซื้อแล้วก็เอาไปให้คนอื่นใช้วันเกิดก็เอาไปให้เขาถ้าใช้เงินแบบนี้ต่อไปก็ไม่ต้องใช้เงินก็ไม่ต้องหาเงินก็จะมีเวลามามาทำใจให้สงบมาหยุดความอยากันมาถือศีลแปดกันเห็นไหมเนี่ยปีหนึ่งเรามาวัดได้สักกี่ครั้งกันเพราะเรายัางต้องไปหาเงินกันอยู่ใช่ไหม เรายังใช้เงินเงินอยู่ใช่ไหมถ้าเราหยุดใช้เงินได้ใช้เท่าที่จําเป็นวันึงไม่กี่ตังค์วันละร้อยก็อยู่ได้ถ้าใช้กับอาหารค่าอาหารแต่มันใช้กับของที่ไม่จําเป็นใช้กับของที่เราอยากได้อยากทําอยากดูอยากฟังมันเลยหมดเยอะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าเราหยุด ใช้เงินที่ไม่จําเป็นได้ใช้เท่าที่จําเป็นเราก็ไม่ต้องหาเงินมากเราก็จะมีเวลาที่เราจะได้มาอยู่วัดมากขึ้นมามาปฏิบัติมาหยุดความอยากได้มากขึ้นต่อไปเราก็จะสามารถหยุดความอยากเพราะว่าพอเราทําแล้วเราได้ครับความสุขแล้วก็จะไม่อยากได้อะไรเราก็อยากจะมาทําใจให้สงบเพียงอย่างเดียวมาหยุดความอยากเพียงอย่างเดียว พอเราทำอย่างเต็มที่เดี๋ยวก็ความอยากก็หมดไปจากใจหมดพอใจหมดจากความอยากใจก็เรียกว่านิพานขึ้นมาคาว่านิพานก็คือใจที่ไม่มีความอยากนี่ก็ยังเป็นใจอันเดิมอยู่เหมือนเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่เราไปซักเสื้อผ้าสกรปรกแล้วเราไปซักมันก็เป็นเสื้อผ้าชุดเดิมนี่แหละแต่มันเป็นเสื้อผ้าที่สะอาดมันไม่ได้หายไปไหนเวลาเราไปซักผ้านี่ผ้าหายไปไหม เวลาเรามาปฏิบัติธรรมพอไปถึงนิพพานแล้วใจหายไปไหมไม่หายหรอกใจกมันก็ยังมีอยู่ไอ้ไอไอตัวที่หายก็คือการเกิดแก่เจ็บตาย<ม>จะไม่มีร่างกายไอ้ร่างกายนี้จะหายจะไม่มีร่างกายตอนนี้พระพุทธเจ้ากับภาษาวกนี้ท่านอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายแต่พวกเราอยู่โดยไม่มีร่างกายไม่ได้เพราะเรายังมีความอยากใช้ร่างกายหาความสุขให้กับเราอยู่ แต่ถ้าเราสามารถหาความสุขภายในใจเราได้เราก็ไม่ต้องอาศัยความสุขผ่านทางร่างกายงั้นเบื้องต้นเราต้องมาสร้างความสุขด้วยการหยุดความอยากหยุดความคิดนั่งสมาธิทำใจให้สงบตัวพอใจสงบแล้วก็จะมีความสุขขั้นต่อไปก็ใช้ปัญญาคอยรักษาความสงบนี้ความสงบนี้จะถูกทำลายด้วยความอยากนี่พออยากอะไรก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าเป็นการไปหาความทุกข์ สิ่งที่เราอยากได้เดี๋ยวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปซื้อของมาใหม่ๆพอหายไปรู้สึกดีใจแล้วเสียใจแต่ถ้าเราไม่ไปซื้อเราก็ไม่มีความดีใจเสียใจเราก็จะสงบเฉยๆสบายมีความสุขกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าถ้าไม่มีความอยากก็จะไม่มีอะไรมาทําลายความสงบของใจ ถ้ามีความสงบปั๊บถ้ามีความอยากปั๊บความสงบมันก็จะหายไปใจจะกระเพื่อมขึ้นมาใจจะเริ่มมีความหุดกงิดลังคาใจอยากทำในสิ่งที่อยากได้อยากได้อยากทาอยากได้ในสิ่งที่อยากได้ขึ้นมาก็อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องไปทำต้องไปหาสิ่งที่อยากได้พอได้มาก็สงบเดี๋ยวเดียวมีความสุขเดี๋ยวเียวเดี๋ยวก็ความอยากไหวขึ้นมาอีก เราต้องคอยกำจัดความอยากต่างๆที่จะขึ้นมาทำลายความสงบของใจด้วยปัญญาด้วยการเห็นว่าการทำตามความอยากจะนำไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่เราได้มันเป็นของชั่วคราวไรมาเราก็ต้องเสียไปเวลาเสียก็ก็เสียใจทุกข์ใจกันถ้าเห็นว่าเป็นการมปหาความทุกข์เราก็จะหยุดหยุดทำตามความอยากกันอยู่กับความสุขดีกว่าก็คือมาทำใจให้สงบ มาหยุดความอยากกันพอไม่มีความอยากใจก็จะสงบพอหยุดความอยากได้ความใจที่กระเพื่อมใจที่งงงวยก็จะหายไปเแล้งแต่ความใจที่สงบเย็นสบาย่ยก็มีแค่นี้แหละที่พระเจ้าสอนให้พวกเราทํากันก็มาหยุดไอ้ความอยากสามตัวนี้ที่มันจะคอยชุดลากให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดไปทุกกับสิ่งต่างๆ ว่าสิ่งต่างๆที่เราหามาได้มันต้องหมดไปดังก็ขอให้เราพยายามศึกษาอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจให้เห็นคุณของการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เห็นโทษของการกระทําของการปฏิบัติตามความอยากต่างๆของเราเองเปรียบเทียบกันดูการกระทําตามความอยากกับการกระทำตามที่พระเจ้าสอนอันอย่างไหนจะดีกว่ากัน อย่างไหนจะได้ความสงบ ก, การทำตามความอยากได้ความสงบไมได้แต่ความวุ่นวายได้แต่ความทุกข์ความเสียใจการทำตามที่พระเจ้าสอนได้ความสงบ ก, การทำทานรักษาศีลการภาวนาลองทำดูทำแล้วก็จะเห็นอย่างที่พระเจ้าทรงสอนคนที่ได้ทำตามก็รับก็ได้รับความสุขได้รับความสงบ ก, กัน ได้เป็นภาษาวกกันพวกเราก็ถ้าทำตามเราก็จะได้ความสงบได้เป็นภาษาว o เหมือนกันภาษาวกก็มาจากพวกเรานี่แหละมาจากพวกที่ที่หลงกับการทําตามความอยากต่างๆแต่พอมาได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนวิธีหาความสุขแทนที่จะหาความสุขด้วยการทําตามความอยากก็มาหยุดความอยากกัน โดยการทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาดให้รู้ทันว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการไปสร้างความทุกข์ถ้ารู้อย่างนี้ก็ต่อไปก็จะไม่อยากหยุดความอยากต่างๆได้อันก็ขอให้เราเชื่อแล้วพยายามน้อมเอาไปปฏิบัติแล้วผลก็จะเกิดตามมาถ้าไม่เชื่อไม่ปฏิบัติก็จะไม่มีผลฟังทมเข้าหูซ้ายออกหูขวาไป แล้ว ก, กลับไปทำตามความอยากเหมือนเดิมแล้วก็ไปรับผลของการทำตามความอยากก็เกิดไปวุ่นวายไปทุกข์ไปเสียอกเสียใจไปเครียดกับสิ่งต่างๆ mm hmm. ก็คิดว่าพอสมควรกับเวลา mm hmm. ก็ขออนุโมทนาให้พ่อนยะาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปักปติ อิจิตังปะทิต um ังตุมหังคิปะเมวะสมิจจัตุสาเพปุระตุสังกปาจันโทปนะระสสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโขวินัสตุมาเตปวัตวันตารโยสุขีทีคายุโกภะ อภิวาทนาสีลิทธะนิจังุทธาปจายโนจตารธุธมรมวัฏานติอายุวันโอสุขังภาลาังมีใครอยากจะถามอะไรไหยถ้าติดออกกําลังกายไม่ไม่ถูกหรือเปล่า อ๋ากำลังกายก็เป็นการดูแลรักษาร่างกายเหมือนกับรับประทานอาหารกินยาเงแต่ว่าก็ทำให้มันสมเหตุสมผลของมันอย่าทำแบบว่าโอ้ยต้องน่ต้องมีสุขภาพดีต้องแข็งแรงทำไปตามตามความพอดีของร่างกายบางคนนี่แบบว่ามีความอยากทำด้วยความอยาก เดาอยากแต่แล้วก็ยังอยากจะให้แข็งแรงเหมือนหนุหม่มอย่างนี้บางคนมีข่าวอยู่คนอย่างนี้อายุเจ็ดสิบเจ็ดเองยังวิ่งมาละทอนอยู่ยังทาเรายังอยากจะรักษาร่างกายให้มันแข็งแรงเหมือนกับคนหนุหม่มคนสาวอยน่นี้มันเป็นการถ้าทำได้ก็ทำไปแต่มันเวลาทำไม่ได้มันจะเสียใจเพราะมันไม่ยอมรับความจริง เราองยอมรับความจริงว่าร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ถ้าเรารักษามันได้ป้องกันมันได้เราก็ทำไปแต่เมื่อถึงเวลาที่ทำไม่ได้เราก็ก็ต้องยอมรับมันอเอาเอาย่างไงก็มันก็มีต้องมีสักวันที่มันจะต้องแก่หมดเรี่ยวหมวดแรงทำอะไรไม่ได้แต่ช้าหรือเร็วบางคนอาจจะยืดเวลาออกไปได้ อายุ77ยังแข็งแรงวิ่งมาลาทอนได้ก็มีอันนี้เขาก็ต้องฝึกทุกวันฝึกทุกวันทําทุกวันมันก็ยังทําให้เขาสามารถทําได้แตถ้าวันนึ่งมันก็จะเรียวแรงมันก็จะอ่อนลงไปอ่อนลงไปเรื่อยๆทาได้รักษาออกกาลังกายนี่ก็เป็นเรื่องปกติที่เราต้องดูแลร่างกาย เือบันเทาบางทีร่างกายมันต้องการให้มีการบันเทาให้มันได้นั่งนานๆมันก็เมื่อยอะไรก็ออกไปเดินของภาเราก็ใช้การเดินจงกรมเป็นหลักเดินจงกรมเดินบินทบาทเนี่ยเดินจงกรมเดินบินทบาทวันนี้เป็นสิบโลนะชั่วโมงนี้เดินก็ประมาณสามโลสามสี่โลเดินบินทบาทก็สามสี่โล ก็ออกกําลังกายแบบนั้นแล้วถ้าอยู่ที่กุฏิบางทีก็จะยืดเส้นยืดสายก็ได้ทำโยคะบ้างก็ได้ อ, อ, อย่างนี้ก็ได้แต่ไม่ไปเต้นนั่งเต้นกาไปวิ่งทั้งนั้นแวไม่สวยงามพ้าไปจ้องปิ้งกับเขาทีเดียวโยคะก็ไม่โยคะก็ไม่ผิดอะไรเหตดก็ทำได้แต่เราต้องทาในที่มันไม่ชิดแท่านั้นเพราะว่าเป็น ท่านอยู่ในท่าโยคะให้คนอื่นก็เห็นแล้วเขจะไม่เห็นว่าไม่สํารวมไม่สวยงามแต่อยู่ในที่สาธารณะก็ต้องอยู่แบบพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิถ้าจะแวงแขวนเท้าแขวงแขนอะไรก็อยู่ในที่กุติทำไป <c oughs> คือทาต้องทำให้รู้ว่าเราก็รักษามันไปตามอัตภาพแต่เราจะไม่ฝืนความจริงเราต้องยอมรับความจริงว่ามันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายถ้าเราฝืนเราเกิดความอยากมันจะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาเ่อเรายังออกกำลังกายได้ก็ออกไปเมื่อออกไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ไหวแล้วมันจะเข้าโลงก็ให้มันเข้าไป ต้องไม่ทุกกับร่างกายถ้าไม่ออกกำลังกายไม่งาจะชํจ ำ, จำรูดสุดสมได้เร็วกว่าปกติคนที่นั่งเฉยๆนอนเฉยๆมีแต่กินอย่างเงี้ย ก, ก็จะมีแต่แ<ถ>น้ำหนักแก่แล้วแล้วก็น้ำหนักเ ย, ยอะทำอะไรไม่ไหว ก็ต้องมีการดูแลรักษาร่างกายไปด้วยการออกกําลังกายไม่ไม่เป็นปัญหาเพียงแต่ว่าใจของเราอย่าไปอยากนั่นเองอย่าไปอยากให้ร่างกายนี้โอ้แข็งแรงไปตลอดไม่มีวันเราต้องออกกําลังกายเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่เราออกกําลังกายเพื่อรักษาให้มันอยู่อย่างปกติสุกเนี่ย ระหว่างไม่ออกกับออกแล้วถ้าออกมันดีกว่าแล้วก็ออกไปออร่างกายออกกําลังกายก็รู้สึกกระปรี้กระเป๋าออจะเดินจะเหินจะทำอะไรก็รู้สึกสบายถ้าไม่ได้ออกกําลังกายเวลาจะทำอะไรลุกขึ้นมาทีโอ้เดินไม่ไหวอแข้งขา ม, มันอมันตึงไปหมดยืดอันนี้ก็ต้องมีการออกกําลังกายบ้างของทุกอย่างพระเจ้าบอกให้ทำด้วยความพอประมาณ อห้รู้จักประมาณเอรับประทานอาหารก็พอประมาณพักผ่อนหลับนอนก็พอประมาณจิตใจเราก็ต้องยอมรับความจริงของร่างกายว่ามันก็ต้องก้าวสู่ก้าวเข้าสู่ความแก่ก้าวเข้าสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยก้าวเข้าสู่ความตายเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์อันนี้ ด้วยการหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอถึงเวลาแก่เจ็บตายแล้วก็พุทโธไปเข้าสมาธิไปทำใจให้เป็นอุเบกขาไปดีกว่าแล้วใจเราจะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่ถ้าเราทำใจไม่เป็นทำสมาธิไม่เป็นทำใจให้เป็นอุเบกขาไม่เป็นมันจะเครียดมันจะทุกข์เพราะมันจะอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ไปมีจะถามอะไรไหมไม่มีเดินไถ่ทางบ้านถามเข้ามาก่อนก็ได้คําถามจากผู้ฝากถามนะคะหนูเป็นคนชอบทําบุญแต่เป็นคนทุกข์ใจง่ายจะมีวิธีแก้ไขยอย่างไรคะก็ต้องควบคุมใจอย่าไปรักไปชังไปกลัวไปหลงความทุกข์ใจเกิดจากความรักความชังความกลัวความหลงของเรา วิธีที่จะทำให้ใจเราไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงมากก็คือพยายามให้มีสติให้ใจอย่าไปาคิดปรุงแต่งมากเกินไปคิดแล้วก็จะทำให้ใจทุกข์ให้พุโทโธพุโทโธไป เ, เห็นอะไรก็อย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาพยายามลดความอยากลงด้วยการใช้สติควบคุมความอยาก ความทุกข์เราเกิดจากความอยากเห็นคนนั้นก็อยากให้เขาเป็นอย่างนี้เห็นคนนี้ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นพอเขาไม่เป็นก็ทุกข์ขึ้นมาปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยเขาเป็นอย่างนี้ไปก็ไปคนนี้เป็นอย่างนั้นก็ปล่อยเขาเป็นอย่างนั้นไปเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาที่เราทุกข์ก็ได้เอาอยากคำถามจาก youtube ไลฟ์จากคุณพีพี ใส่บาทหน้าบ้านในบาทมีธนาบาัตรเราควรใส่อาหารหรือไม่มีธนาบัตรอยู่ในบาทแล้วเหแล้วก็ใส่ก็ใส่ไปเรื่องมันธนาบัตรในบาทก็เรื่องของพระท่านท่านมีคนอื่นใส่ไว้ท่านไม่อยากจะแตะท่านก็ปล่อยมันอยู่ในบาทไปเกอกลับไปบะกลับไปกุฏิก็กลับไปวัดก็ให้ลูกศิษย์เก็บไปพราะพระนี้โดยหนักไม่ให้แตะต้องเงินทองไม่จับต้องเงินทองไม่เก็บเงินทองไว้ใช้เอง ให้สัตยาญาณโยมเป็นผู้เก็บให้เวลาต้องการเงินทองก็ให้เขาไปเวลาต้องการให้เขาซื้ออะไรก็บอกเขาให้เขาไปซื้อพระไม่มีหน้าที่ที่ไปซื้อของเองไม่ให้เกี่ยวข้องกาบเรื่องการใช้เงินใช้ทองหาเงินหาทองคำถามจากคุณอไรายาครับจากเฟซบุ o กไลฟ์นะครั บ, บ, บ, รบทำอย่างไรจะหยุดทิฏฐิมานะได้ง่ายและเร็วบ้างครับก็ทำตัวให้เป็นแจวเลย คิดว่าเราเป็นเจ๋วเราอย่าไปคิดว่าเราเป็นใหญ่เป็นโตคิดว่าเราเป็นคนรับใช้ทุกคนเราเจอใครเราคิดว่าเขาเป็นนายเราอย่าไปคิดว่าเราเป็นนายเขาความคิดนี่แหละมันทำให้เรามีทิฐิขึ้นมาถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนรับใช้นี่เราก็จะไม่มีทิฐิคำถามชกคุณสุรพลนะครับ เคยเห็นบุคคลที่ถูกยอมรับว่าหลุดพ้นแล้วแต่ยังสูบบุหรีอยู่ถือว่าติดไหมครับหรือว่าเป็นแค่กิริยาหรือกิจกรรมก็ต้องถามคนที่เขาสูบเลยว่าเป็นยังไงบางคนสูบโดยไม่ติดก็มีบางคนสูบ้วยติดก็มีั้นคนที่เขาสูบโดยไม่ติดนี่เขาเขาไม่เดือดร้อนเวลามีก็สูบเวลาไม่มีเขาก็ไม่สูบเขาไม่ได้ทุกข์กับมันแต่คนที่ ปิดนี่เวลาไม่มีก็เดือดร้อน <Okay. S 1> อย่างนี้คำถามจะคุณหมูนะครับโดยปกติผมเป็นคนคิดมากจริงจังกับชีวิตได้ฟังธรรมะอ่านธรรมะมาโดยตลอดตอนนี้มีแฟนเพิ่งคบกัน mm hmm. แต่ผมกับทุกใจที่เราต้องพัดพากจากกันมันวนเวียนในใจตลอดครับ บางครั้งก็เหมือนจะปล่อยวางได้แต่จริงๆแล้วไม่เลยควรทำอย่างไรดีก็อย่าไปมีแฟนใช่จะได้ไม่มีการพภาคจากกันอยู่คนเดียวมาเวลาเกิดก็มาคนเดียวเมื่อก่อนไม่มีแฟนก็อยู่ได้ไม่ใช่แล้วตอนที่เราเกิดมาเราก็ไม่มีแฟนมากับเราเนีอยเราก็อยู่ของเราคนเดียวได้ไม่เห็นเดือดร้อนเะไรแล้วไปสร้างความเดือดร้อนกับเราด้วยการมีแฟนทาไม เราไปหาความเดือดร้อนเองเพราะเราหยุดความอยากเราไม่ได้พอเห็นคนที่เราถูก อ, อกถูกใจเราก็อยากจะอยู่กับเขาพเพราะคิดว่าอยู่กับเขาแล้วจะให้ความสุขกับเราเขาก็ให้ความสุ ข, ขกับเราในสุดในในมุมหนึ่งแต่อีกมุมหนึ่งเขาก็ให้ความทุกข์กับเรา um เรามองไม่เห็นมุมของความทุกข์กันเราเห็นมุมแต่มุมของความสุขก็เลยทําให้เราอยากได้เขาอยากจะอยู่กับเขา แต่ถ้าเรามองเห็นมุมของความทุกข์ว่าเก็ต้องมีการพัดพลาคจากกันถ้าอย่างนั้นก็อย่าดีกว่าหรือถ้าไม่เช่นนั้นก็ต้องยอมทําหัดทําใจว่าต้องมีการพัดภาคจากกันจะอยู่ด้วยกันก็ได้แต่อย่าไปผูกพันกันใจยากเพราะว่าภาพมันอยู่ด้วยกันมันก็ต้องผูกพันกันมัน้งอยู่ด้วยกันงั้นถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็หัดอยู่คนเดียวดีวกว่า ที่จะอยู่คนเดียวอย่างไม่ทุกข์อย่างมีความสุขก็ต้องหยุดความอยากต้องเจริญสติกควบคุมความอยากให้ได้ถ้าควบคุมความอยากได้ใจก็จะอยู่คนเดียวได้อยู่อยู่คนเดียวดีที่สุดจะไม่เจ็บก็มันไม่มีอะไรจะต้องทุกข์ด้วยไงใช่ไหมดีไหมอยากจะอยู่แบบทุกข์ก็อยากจะอยู่แบบไม่ทุกข์อะถ้าอยู่คนเดียวมันก็มีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งคือความสงบ แล้วก็ความสงบก็ไม่มีความทุกข์ตามมาไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการอยู่กับคนนั้นคนนี้ไม่ต้องคบกันก็จะไม่มีความทุกข์เพราะว่าวันหนึ่งเราก็ต้องมีการพัดพาคจากกาันแล้วยังไม่ทันพัดพาคจากการก็ทุกแล้วเพราะคิดเพียงแต่คิดว่าจะต้องพัดพลาคจากการก็ทุกแล้วแต่ถ้าอยู่กับความสงบนี่มันจะไม่มีการพัดภาคจากกับใคร คำถามจะคุณกุ้งนะครับถ้ารักเพราะพฤติกรรมจะทําอย่างไรให้เลิกรักได้คะหนูรักในความดีที่เขาทําก็ต้องมองว่าอพฤติกรรมของเขามันก็เป็นเรื่องของเขาเราไปเราไปรักก็ได้แต่เราอย่าไปอรักในพฤติกรรมว่าเราก็ทําพฤติกรรมของเขาสิ เราชอบพฤติกรรมของเขาเขาชอบทําบุญเราเห็นขาทําบุญเราชอบเขาทําบุญเราก็ทําบุญแทนก็ได้ถ้าเรารักพฤติกรรมก็ไม่มีปัญหากลัวเราจะไปรักตัวเขามากกว่าอย่าไปรักที่ตัวรักที่พฤติกรรมได้ถ้าเราชอบการทําบุญเราก็มาทําบุญชอบการทําความดีของเขาแล้วก็มาทําความดีความดีของเขาก็จะมาอยู่กับเรา คำถามจากคุณพิมพรนะครับเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วเราบริกรรมพุทโธสัตพักหนึ่งจิตก็สงบดีแล้วตัวเบาค่ะถามว่าการที่เรานั่งสมาธิมีผลดีทําให้มีความสุขแล้วก็มีผลดีต่อร่างกายของเราด้วยใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นส่วนส่วนก็เรียกส่วนแถมแจะดียังไงร่างกายมันก็ไม่พ้นความแก่เจ็บตายอยู่ดี แต่ว่ามันอาจจะแก่เจ็บตายช้าหน่อยหรือแก่เจ็บตายแบบสบายใจสบายเนี่ร่างกายของทุกคนไม่ว่าจะเป็นของพระพุทธเจ้าหรือของพวกเรามันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันเอ็นเราไม่ได้ไปหวังผลทางร่างกายมากนะเราวังผลทางใจมากกว่าเพราะถ้าใจเราสบายแล้วร่างกายจะเป็นอย่างไรมันก็ไม่มีผลต่อใจคําถามจากคุณสุจริตนะครับ คุยลายวันถือศินแปดอย่างไรไม่ให้ผิดสิงก็สินแปดก็มีข้อเดียวก็คือไม่ให้พูดปดเนี่ยถ้าเราพูดความจริงก็ไม่เป็นปัญหาเลยครำถามจะคุณก้อยนะครับหากเราตายไปแล้วบริจาคร่างกายให้โรงพยาบาลเราจะได้บุญไหมคะไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมันจะเป็นของเราแล้วเวลาที่ร่างกายตายไปมันเป็นของ ของดินน้ําลมไฟไปแล้วถ้าจะได้บุญนอกให้ตอนที่ยังไม่ตายเช่นควากตาไปให้เขาไปควักไตายแบ่งให้เขาไปคนที่บริจาคายเนี่ยได้บุญเพราะเขายังมีชีวิตอยู่เขารู้ว่าเขาได้เสียสละของที่เขารักไปแล้วใจเขาจะมีความสุขจากการเสียสละแต่เวลาตายไปนี่เราไม่ได้เสียสละอะไรเลยเราไม่รู้เลยว่าละร่างกายของเราเข้าไปทําอะไรน บริาจาคเลื่อนนี้ก็ได้ได้บุญเพราะเวลาบริาจาคเลื่อดเราก็เหมือนเราเสียสละส่วนหนึ่งของเราไปให้คนอื่นเหมือนเสียสละเงินทองนะเพรางั้นต้องเสียตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เช่นเขียนพินัยกรรมทิ้งสมบัติให้ลูกหลานนี่เราก็ไม่ได้บุญเลยถ้าอยากจะได้บุญต้องให้ตอนที่ยังไม่ตายะให้เข้าไปเลยตอนที่เรายังไม่ตายในนั้นก็จะให้อยู่แล้วไม่เห็นนะก็เก็บส่วนที่เรา ต้องใช้ไว้ถ้ากะแล้วกันอย่าไปให้หมดให้หมดส่วนที่เราเหลือก็ช่างมันนั่นแหละมันใครยาวไปก็เรื่องของมันเวลาเราตายไปส่วนนี้เราจะไม่ได้บุญแต่เราก็ต้องเก็บไว้ไม่งั้นจะเกิดให้เขาหมดเกิดเขาไม่มาเรียกเราเราก็ลําบากใช่ไหมแต่ส่วนไหนที่เราไม่ต้องเก็บไว้ก็ให้เขาไปเลยจะได้บุญให้ลูกก็ได้ให้วัดก็ได้ให้โรงพยาบาลก็ได้ให้ใครก็ได้เป็นทานเหมือนกันหมดอย่างนั้นนถึงจะได้บุญ แต่เค้นที่พี่นายกรรมไว้ว่าตายไปแล้วไม่ได้เลยเพราะตอนนั้นเราไม่รู้ว่าใครได้หรือไม่ได้ไปที่ไหนกับใครก็ไ้เราก็ไม่รู้ว่าเราเสียเราเราเสียตอนตายนี่เราเสียใจเราไม่ได้บุญ mm hmm. แต่ถ้าเราให้ตอนที่เรายังไม่ตายเวลาเราตายเราจะไม่ทุกข์าเงินที่เราเสียดายเรายกไปหมดให้คนอื่นก็ไปหมดนะเวลาตายแล้วก็ตายแบบสบายไม่มีความเสียดายเงินทอง นั่นแหละเป็นบุญคือความสุขใจความสบายใจความไม่ทุกข์ใจค ำ, คำถามคําถามที่คุณดเดลีสนะครับการโอนเงินผ่านเอทเอ็มให้เพื่อนนําไปทําบุญถวายพระแทนตัวเองบุญได้รับเท่ากับการไปถวายด้วยตัวเองไหมคะมันก็อยู่ที่ว่าเรารู้เปล่ามันไปไ ป, ไปถึงหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราไว้ใจเพื่อนหรือเปล่า ถ้าคิดว่าเราไว้ใจเขาแล้วเขาทําตามที่เราบอกเขามันก็อยู่ที่ความรู้สึกของเราถ้าเราทําแล้วเราสบายใจโล่งใจก็ได้บุญแล้วอาจจะไม่ถึงวัดจ็ไดนะ้แต่อย่างน้อยเราเ ย, ยอะยอมเสียเงินก้อนนี้ไปแล้วแล้วก็เชื่อพวกคนที่เราฝากให้เขาก็าจะไปทําตามที่เราบอกส่วนถ้าเขาจะทําตามหรือไม่นี่ไม่เป็นปัญหาแล้วถ้าเรามีความเชื่อว่าเราได้ให้เขาไปแล้วแล้วเขาก็จะไปทําบุญ หรือถ้าเขาไม่ทําก็ถือว่าเป็นของเขาแไนก็เป็นบุญเหมือนกันให้เขาเรือให้วัดให้คนอื่นมันก็เป็นการให้เหมือนกันคือเราคิดถ้าเราทาแบบนี้เราต้องอย่าไปสงสยัยอย่าไปกังวลไปสงสยัยไปกังวลความรู้สึกสุขใจมันจะถูกความกังวลมามากรมถ้าไม่สงสยัยไม่กังวลก็ได้บุญถ้ากับเราทำเองใช่ใช่คิดว่าใครเอาใครเอาไปก็ถือว่าเป็น เป็นเรื่องของเขาแล้วล่ะคำถามจากคุณเอนะครับเป็นคนกลัวผีวิญญาณเวลานั่งทำสมาธิชอบเปิดไฟทำอย่างไรให้หายกลัวคะ เ, ออเวลามีความกลัวก็ต้องบริกรรมพุทธโธให้ใจอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เรากลัวความกลัวเกิดจากความคิดของเราไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็เกิดความกลัวขึ้นมา พอเราอยู่กับคำบริกรรมได้ไม่ไปคิดหรืออยู่กับบทสวดมนต์ได้ไม่ไปคิดถึงสิ่งที่เรากลัวความกลัวก็จะหายไปมีคาถามต่อเนื่องจากเรื่องร่างกายนะครับแต่คุณอารยาครับเคยฟังมาว่าคนที่บริจาคร่างกายพอใกล้าตายเขาจะมาล้วงควักอวัยวะเราในตอนนั้นเลยแล้วสติสมาธิเราจะมีอย่างไรคะก็ในเมื่อเรายังไม่ตายเลย ก็ทำยังไงได้ไปบอยจากเขาเขาก็อยากจะได้อวัยวะเขาก็คิดว่าเราตายบางทีเรายังไม่ตายจริงบางทีเราตายแบบยังสลบสไลด์อย่างนี้เขาก็อาจจะคิดว่าเราตายก็ได้เขาก็เขาต้องการอวัยวะทันทีทันใดเขาทิ้งไว้นานมันจะเสื่อมจะใช้ไม่ได้จะเสียอันนี้ก็บางทีก็มันก็เป็นเป็นเป็นปัญหาได้ เพราะบางทีคนที่เขาอยากจะได้อวัยวะเขาก็อยากจะให้เราตายเร็วๆ <c oughs> บางทีหมอแทนที่จะพยายามรักษาเราอย่างเต็มที่เกาอย่าไปรักษามนันดีกว่าเอาเอาอวัยวะไปให้คนอื่นดีกว่าไ อ, าอ้คนนี้ตายไปคนแต่คนอื่นยัง อ, อีกสี่ห้าคนอาจจะอยู่ต่อไปได้เขาอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้ใช่มเอาอวัยวะอาจจะแบ่งหัวใจไปให้คนนึงตับไปให้คนหนึ่งตายไปให้คนหนึ่ง ตายไปให้อกคนโอ้ยมันได้รับประโยชน์ต้งหลายคนไอคนนี้ตายคนเดียวให้มันตายไปเถิดคำถามจากคุณสุภกิจนะครับการฝึกให้มีสติไม่ให้เกิดกิเลสโดยไม่ต้องทำสมาธิได้หรือไม่ก็ให้ท่องพุทโธไปตั้งแต่ตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดกับพุทโธพุทโธไปใจก็จะว่างจะเบาจะเย็นความอยากต่างๆก็จะ ถูกสกัดไว้มันไม่ถูกทำลายแต่อย่างน้อยมันไม่มีโอกาสที่จะออกมา <c oughs> เพ่นพ่านมาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราอันนี้ก็เป็นการทำสมาธิโดยที่ไม่ต้องนั่งหลับตาแต่ถ้าอยากจะให้มันสงบเต็มที่ให้มันได้มีความสุขเต็มที่ก็ต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตามันก็จะสงบได้อย่างเต็มที่คำถามสีคุณลามีนะครับขณะรับพรจากพระ เราได้ขอให้อุทิศกุศลนั้นเผื่อแผ่ไปถึงบิดามารดาที่ร่วงลับไปแล้วเช่นนี้บิดามารดาจะได้รับหรือไม่คือการอุทิศบุญนี้ไม่ต้องเกี่ยวกับการให้พรพระไม่เกี่ยวกันแต่ความเข้าใจผิดคือว่าจะจะอุทิศบุญได้นี้ต้องมีพระช่วยส่งไปให้ต้องมีพระช่วยกล่าวคํายิถาสัพทีแล้วถึงจะส่งไปได้แต่ความจริงพระไม่เกี่ยว บุญที่เราทําปุ๊บนี่เราส่งไม่ได้เลยเหมือนกดเอทเอมนี่หรือกดโทรศัพท์มือถือนี่ไม่ต้องมาให้พาะสวดก่อนแล้วค่อยกดไปนะการที่พาะสวดนี่ท่านสอนท่านบอกเล่าให้ฟังว่าการทําบุญนี่มีประโยชน์อย่างไรบุญที่เราทํานีส่วนหนึ่งเราสามารถแบ่งให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้ถ้าเขารอรับส่วนบุญนี้อยู่เขาก็จะได้รับไป แล้วอันนี้สอของการทาบุญก็จะทำให้เรามีอายุยืนยาวนานอายุวันโนสุขแข็งพลังเนี่ยอันนี้เป็นการสอนเท่านั้นเองนี้เราไปไปไปคิดว่าเป็นการส่งบุญให้กับเราแต่เราต้องเป็นคนส่งเองภาัไม่ได้เป็นไปรษณียไม่ได้เป็นผู้รับส่งบุญให้กับพวกเราเราออใช่เราเราใส่บาตรเสร็จจะเราพาบินตบาตมาเราใส่ปุ๊บ ท่านเดินไปปั๊บแล้วก็นั่งอธิษฐานไปเลยก็ได้อุธิศไปตอนนั้นแล้วก็ไม่ต้องมีน้ำมาเทหรอกที่เขาให้เทน้ำเป็นการสาธิตตัวอย่างว่าณบุญนม่เป็นเหมือนกระแสน้ากระแสความคิดของเราที่ดีที่มีความสุขเนี่ยมันเป็นกระแสบุญที่เราสามารถส่งให้กับผู้ที่มีความหิวโหวยบุญได้เพราะบางคนเวลามีชีวิตอยู่ไม่ได้มีโอกาสได้ทาบุญ พอตายไปเลยไม่มีบุญหล่อเลี้ยงจิตใจก็หิวโหวยก็เลยต้องมาขอบุญจากญาติพี่น้องคนรู้จักกันเวลาเราทำบุญเราก็แบ่งบุญส่วนหนึ่งได้แต่ไม่ได้ไปหมดส่วนใหญ่ยังอยู่กับเราอยู่เพราะบุญที่เราส่งไปได้นี่มันน้อยเพราะฐานะของคนรับก็รับได้น้อยคนรับเป็นเหมือนขอทานเวลาให้สตังขอทานโยมให้เยอะๆไหมให้พอเขาอยู่ประทังชีวิตไปวันๆหนึ่ง เพเขาไม่มีเก็บไม่มีที่เก็บเงินเนี่ยเอาไปเดี๋ยวเขาไม่มีที่เก็บเดี๋ยวถูกคนอนื่นก็มาขโมยไปก็ให้พอที่เขาพออยู่ได้บุญอุทิศก็ในลักษณะนั้นเปนเหมือนบุญให้กับขอทานถ้าอยากจะให้เขามีบุญรับประทานก็ต้องทําบุญทุกวันเหมือนใส่บาต ท, ทุกวันใส่บาตรใส่ก็กวดน้าไปอุทิศบุญไปให้เขาไม่ต้องกวดน้าก็ได้อุทิศบุญไปแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ในฐานหน้าไหน คนที่ตายไปแล้วบางทีเขาอยู่ในฐานะเศรษฐีบุญเขาก็ไม่ต้องมาเรารับรับบุญพวกเศรษฐีบุญก็คือพวกที่ขณะมีชีวิตอยู่ทําบุญทุกวันใส่บาต ท, ทุกวัน่นไรตัวนี้ก็จะเป็นเศรษฐีบุญพอตายไปเขาก็ไปเป็นเทวดากันไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์กันพราะมีมีบุญมีเงินบุญนี้ก็เป็นเงินที่ให้เราไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ได้ คำอบคาถามคุณอนิจจังนะครับฝึกนั่งสมาธิและหัดวางอุเบตขาจนคิดว่าวางได้ระดับหนึ่งแต่มีวันหนึ่งลูกฝันเห็นงูจงอางใหญ่มากในฝันลูกเกิดความกลัวขาดสติร้องให้คนช่วยแต่พอตื่นลูกพิจารณาว่าทาไมเราขาดสติความกลัวในฝันมันสะท้อนให้เห็นว่าในความเป็นจริงลูกยังควบคุมสติไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่ เราคิดไปเองว่าเรายามีอุเบกขาเราจะรู้ว่ามีไม่มีก็ตอนที่เราไปเจอสิ่งที่มันจะทำให้เราสะเทือนใจเช่นเจอสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่ารักน่าชังเนี่ยถ้าเรายังไม่มีอุเบกขามันจะรักจะชังจะกลัวขึ้นมาแต่ถ้ามันมีอุเบกขามันก็จะเฉยๆคำถามคุณอิ๋วนะครับ อยากเรียนถามการแยกกายส่วนหนึ่งแยกจิตส่วนหนึ่งคือต้องทําอย่างไรครับก็เวลานั่งพุโทโธพุธโทโธนั่งสมาธินี่ครับเรากำลังแยกกายออกจากใจเราจะยิงใจให้ออกจากร่างกายตอนนี้ใจของพวกเรามาเกาะติดอยู่กับร่างกายผ่านทวารทั้งห้ามาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายเวลาเรานั่งบริกรรมพุโทโธพุธโทโธมันจะดึงกระแสจิตที่มาผูกติดอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายให้กลับเข้าไปที่ กลางอกของใจส่วนส่วนที่ตัวใจตัวใจเหมือนกับไฟฉายมันเปิดพอเรากดเปิดสวิตไฟมันก็วิ่งออกมาจากไฟฉายถ้าเราต้องการให้ไฟมันกลับเข้ามาเราก็ปิดสวิตไฟมันก็จะกลับเข้ามาที่ตัวตัวไฟฉายเวลานั่งพุโทโธเวลาที่เราไม่ได้พุโทโธเวลาเม่นั่งสมาธินี่ใจมันส่งกระแสมาที่เกาะที่ร่างกาย มันไม่ได้อยู่ในร่างกายแล้วใจมันอยู่ในโลกทิพย์แต่มันส่งกระแสจิตมาเกาะที่ร่างกายเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายทําให้มันสามารถรับรู้สิ่งต่างๆที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายได้เวลาเรานั่งสมาธิเราต้องการดึงกระแสรับรู้นี้กลับเข้าไปข้างในพุโทโธพุโทโธมันจะดึงกลับเข้าไปพอจิตรวมสงบตกหลุมตกบอ่อนี่แสดงมันกลับไปบดเลยบางทีร้านกายนี้หายไปเลย ก็เป็นการแยกใจออกจากร่างกายและจิตรวมลงนี้จะเห็นว่าร่างกายหายไปเหลือแต่ใจคือผู้รู้อยู่ตามลำพังคำถามจากคุณวิรุณีนะครับลูกสาวเรียนสตวแพทย์ต้องฆ่าสัตว์เป็นระยะระยะเขาไม่สบายใจจะต้องวางใจอย่างไรดีคะก็อย่าไปเรียน้ลยทาไมสมายใจเรียนวิชาอะไรก็ได้เรียนพานิชก็ได้เรียนอะไรก็ได้ คำถามจากคุณอัจรู้ชัยนะครับเวลานั่งสมาธิสักพักหนึ่งรู้สึกเหมือนง่วงนอนควรแก้ไขอย่างไรครับลุกมาเดินนะเดิไปนั่งที่มันน่ากลัวไปนั่งในป่าช้ามันก็จะไม่ง่วงนอนคำถามจากคุณแสงสุกนะครับเช้าใส่บาตแต่ไม่ได้กวดน้ำลงดินแต่จิตเราคิดอุทิศให้ได้ไหมเจ้าคบได้ไมันไม่เกี่ยวกับนะ้ำมันเกี่ยวกับการอุทิศของเราอยู่ที่ความคิดของเรา คิดในใจว่าขอทิศส่วนบุญแน่แก่พู้นั้นผู้นี้ที่ล่วงรับไปแล้วถ้าท่านรอรับส่วนนี้อยู่ก็ขอให้ไม่รับไปเถอดส่งไปแล้วคําถามจะคุณหญิงนะครับทุกครั้งที่เราทําบุญทําทานฟังเทศช่วยเหลือผู้อื่นอ่านะครับเราสามารถระลึกถึงสิ่งนี้แล้วแผ่เมตตาส่งให้ผู้ล่วงรับได้ไหมคะก็ว่าแผ่เมตตานี้มันไม่ถูกจริง แผ่เมตตานี่มันต้องอยู่กับคนที่เราพบปะกันเวลามีเจอใครเนี่ยต้องแผ่เวลาอยู่คนเดียวจะไปแผ่ให้ใครไม่มีคนรับเราก็ต้องมีของแผ่ให้เขาไม่ใช่คิดเฉยๆเช่นเจอกันเอาของขวัญมาแจกกันมีขนมนมเนยมาแจกกันเรวแผ่เมตตาให้เขาอย่างญาติโยมทําบุญทําทานเนี่ยแผ่เมตตา ใหแล้วก็มีความสุขใจแต่พอมาเจอกันแล้วเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่ว่าฉันแผนเมตตาให้เธอมันไม่มีอะไรมันต้องมีการแสดงอะไรออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อยก็ต้องยิ้มให้กันเนื้อถามสารทุกข์สุขุพให้ต่อกันอย่างนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาเรื้อเวลาเกิดเขาทำอะไรทำให้เราโกรธเราก็ให้อภัยเขาความโกรธก็จะหายไป ความสบายใจก็จะกลับคืนมาถ้าเราให้อภัยเขาเขาก็สบายใจเขาก็เขาก็จะได้ไม่ต้องมากังลวลว่าเราจะไปทำร้ายเขาหรือเปล่าเนี่ยเรื่องการแผ่เมตตาก็คือให้ความสุขแก่ผู้อื่นให้ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นแต่เวลานั่งอยู่คนเดียวนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาแผ่ให้ใครล่ะใช่นไหม เขาสอนให้ท่องจะได้รู้จักวิธีแผ่วเวลาสวดสัพเพสัตานี้เป็นการสอนวิธีแผ่เมตตามีอยู่ไสีส่ลักษณะอเวลาหนตุอย่าไปจองเวรจองกรรมกันอ บ, บยาปชาหนตุอย่าไปเบียดเบียนกันอานิฆาหตุอยากขอให้เขาไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจสุขอีอัตนาอัตภริหารันตุ หมเขามีแต่ความสุขรักษาตนเออันนี้เป็นความสอนวิธีแผ่และวิธียารทำต้องเจอเขาเจอเขาถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ซื้อยาไมา้เขากิน<ม>เขาจะได้ไม่ก็าจะได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเขาหิวไม่มีอาหารก็ซื้ออาหารมาให้เขากินถ้ารับสมาที่เแ็่นักแผลนี่ไม่ถูอว่าแผลไม่ตาไม่ไแผลมันไม่มีคนรับ นี่ก็ดีแต่แผ่แล้วนั่นก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องเสียอะไรแผ่แบบนั้นมันไม่ได้แผ่เพราะมันไม่ได้เสียอะไรไมต้องเราต้องเสียอะไรเราต้องเสียสะละลสิ่งได้สิ่งหนึ่งให้กับบุคคลอีกคนหนึ่งถึงจะเรียกว่าแผ่เมตตาอย่างพ่อแม่แผ่เมตตาให้กับลูกยังไงเลี้ยงลูกไงแผ่เมตตาไม่ทุบตีลูกไงแต่ลงโทษได้ถ้าผิด ถ้าต้องสั่งต้องสอนก็ตีได้บ้างรักลูกรักวัวให้ผกลกรักลูกให้ตีแต่ตีเพื่อสั่งเพื่อสอน อ, อ, อย่างนี้เรียกว่าเมตตาถ้าไม่ตีก็อาทิตย์นี้งดให้เงินใช้หนึ่งหนึ่งอาทิตย์ยถ้าทำผิดก็มีการลงโทษเพื่อให้เห็นว่าทำผิดแล้วมันจะมีโทษตามมา อย่างนี้ก็เมตตาเหมือนกันเพราะจะได้สอนใจเตือนเขาให้รู้จักว่าทําอะไรไม่ถูกนี่มันไม่ควรทําแล้วเดี๋ยวต่อไปจะไปทํากับคนอื่นมันจะได้โทษร้ายแรงกว่าอาจะต้องไปติดคุกติดตารางอย่างนี้นี่คือนี่วิธีแผ่มีสี่ลักษณะเวลาใครเขาทําให้เราโกรธแค้นโกรธเคืงงงงงงองก็เอาเวลาโหนตุยอย่าไปจองเวรจองกรรมเอาหูเสกันแล้วก็อถ้าใคร เห็นเขาทุกข์กายทุกข์ใจก็ช่วยเหลือกันไปเพื่อให้เขาไม่ทุกข์กายทุกข์ใจ้า่ก็ไม่มีความสุขก็ให้เขามีความสุขซื้อขนมนมเลยซื้อของขวัญอะไรมาให้เขาบ้างให้เขามีความสุข อ, อันนี้คือเรีอกวิธีของการแผนไม่เบียดเบียนกันอย่าไปทุบตีเขาอย่าไปทำร้ายเขา อ, อันนี้ก็ไม่เบียดเบียนกัน อ, อันนี้เป็นการสอน เวลาเราสวดกันเนี่ยเป็นการสอนเนี่ยเรารู้วิธีแผ่เมตตาว่าแผ่อย่างไรแล้วพอเราไปเจอกันเราจะได้แผ่เป็นพอเจอกันแทนที่จะหน้า บ, บึ้งสายกันก็ทักทายกันให้เขามีความสุขยิ้มให้เขาพอเรายิ้มให้เขาเขาก็มีความสุขเขาก็ยิ้มกลับให้เราถ้าเขาไม่ยิ้มก็ไม่เป็นไรเราก็เราแผ่ของเราไปแล้วเขาจะไม่รับก็เรื่องของเขาเพราะบางทีเขาไม่มีอารมณ์จะรับก็ไม่เป็นไร เราก็ต้องแผ่อุเบกขาแทนเราก็กลับมาที่อุเบกขาทำใจให้เฉยๆอย่าไปเสียใจอย่าไปโกรธเขาเราแผ่แล้วเรามีความปรารถนาดีให้เขามีความสุขถ้าเขาไม่พร้อมที่จะรับก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องกลับมาอยู่ที่อุเบกข า, อ ย, าอย่าไปโกรธไปเกลียดคขาหน้ากูไม่ยิ้มให้มึงแล้ว เ, <c oughs> เราก็ยิ้มเสมอเจอใครก็ยิ้มไปเรื่อยๆเราแผเมตตา ไม่ใช่ส่วนอยู่ที่บ้านเวลานั่งสมาธิแผลกันใหญ่พอเจอหน้ากันก็ด่ากันเลยตอนนั้นแผลให้ใครไม่มีใครรับเลย <c oughs> ตอนที่เรานั่งอยู่คนเดียวะออแล้วเราแผลอะไรเราไม่มีอะไรแผกไว้หน่อย <c oughs> มีแต่ความคิดท่านหน <c oughs> ความคิดจะไม่ได้ทําให้เขามีความสุขหรอกมันต้องเกิดจากกรทําทางกายทางวาจาของเราเคยเคยฟัง ผู้ทำบัญชีเจ้าค่ะเขาบอกทุกเช้าก็ต้องไว้พระสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาให้สัมปกรณ์เนี่ยเจ้าค่ะก็ต้องแผ่ตอนที่ไปหาสัมปกรณ์สิเอากระเช้าไปให้เขาสิถือซื้อกระเช้าไปให้เขาสิเวลาเจอสัมปกรณ์ก็เอาของไปฝากเขาเดี๋ยวเขาก็จะอาเงินความสะดวกให้กับเราได้ก็ไปเป็นนิดกับสัมปกรณ์ดี อไปสร้างมิจกับเขาเดี๋ยวเขาก็เ อ, อื้อเดี๋ยวเขาก็เอื้อเฟื้อเราเองอ่ะเราขาดตกบกพร่องอะไรเขาก็จะเตือนเราบอกเราแก้ไขเราอ <Okay. S 1> ไม่แบบปรับโทษทันทีเลยอาจจะเอพี่ทำตรงนี้ผิดนะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะ <Okay. S 1> แต่ถ้าเราไม่มีเขาไปฝากเขาเลย <Okay. S 1> เขาก็อาจจะไม่มีความเอื้ออาลทอนกับเรา <Okay. S 1> เราต้องเอื้ออาลทอนกับเขาก่อน <Okay. S 1> ต่อกันละกันความเมตตาก็คือความเอื้ออาลทอนแต่กันเอ okay. ไม่ใช่นั่งอยู่คนเดียวแล้วก็เอื้ออถอนกับผีทสามเทวดาอยางนี้ทุกทีแล้วชอมีคําถามเนี่ยคำถามเชิญคุณไพโรจน์นะครับเราควรหยุดความคิดหรือดูความคิดเกิดดับครับอ๋อต้องหยุดเนี่ยเพราะถ้าดูมันไม่มีวันดับหรอกมันก็เกิดดับเกิดดับของไปไเรื่อยๆแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเอาดีไม่ดีก็ ต้องทำให้เราไปทำตามอารมณ์แล้วก็เกิดความเสียหายตามมาต่อไปแต่ถ้าหยุดความคิดไม่มีอารมณ์ก็ไม่ต้องทาอะไรใจก็จะเป็นอุบเบกขาจะวางเฉยใครจะด่าก็เฉยใครจะพูดอะไรก็เฉยใครจะทำอะไรก็เฉยได้ถ้าไม่คิดนั่นมันจะเฉยถ้าคิดนั่นมันไม่เฉยพอคิดไอหา่ามันด่ากูนี่วะนี้ก็มันก็จะโกรธขึ้นมาคำถามจะคุณ เป็นนะครับเมื่อเราทําสมาธิจิตแยกจากกายแล้วกายหายไปเหลือจิตเด่นสว่างอยู่เราควรทําสิ่งใดต่อไปเจ้าคะกปกติจะดูจิตเด่นสว่างไปอย่างนั้นจนหมดกําลังใจความสว่างหายไปบางทีนานบางทีสั้นถูกหรือไม่ถูกว่าก็ประคับ ป, ประคองไปด้วยสติให้สักแต่ว่ารู้ไปแต่ก่อนกาลังที่ทําให้จิตมันแยกกันมันหมดมันก็จะกลับมารวมกัน แล้วมันก็กลับมารู้เรื่องของร่างกายมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เอา น, นั้นถ้าอยากจะให้มันแยกเอง ก, ก็พูดโทใหม่จะเริ่สติใหม่เดี๋ยวมันก็จะแยกกันใหม่ขณะว่าวกําลังสติมันหมดนกําลังที่จะดึงมารวมมันกลับมาคือกิเลสมันอยากจะให้จิตมารวมกับร่างกายจะได้ไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสจะได้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่อ ถ้าเราอยากจะดึงแยกออกจากการต่อแล้วก็ใช้พุทธโทยแยกกันต่อไปใช้สติแยกกันไปคำถามจ้าคุณนงเยานะครับแม่ของลูกท่านไม่ชอบเข้าวัดติดเพื่อนชอบดื่มและของมึนเมาพอเมาก็ด่าทอลูกๆในทางเสียหายเงินทองส่งให้ท่านท่านก็เอาไปเล่นไปดื่มลูกเองก็ทุกข์ใจลูกควรทำอย่างไรดีเจ้าคะเพราะบางทีก็เผลอ ทะเลาะกับท่านท่านเองชอบสาบแช่งลูกๆจนลูกก็กลัวจะเป็นบาปต่อท่านไม่สิ้นสุดก็แผ่เมตตาเนี่ยตอนนั้นตุรราแผ่เมตตา <c oughs> ให้อภัยอย่าไปทื่โทษก o i เคลียงแม่อยากจะกินเล่าก็เรื่องของแม่เรามีหน้าที่รับใช้แม่ก็รับใช้แม่ไปเลี้ยงดูแม่ไปสิ่งไหนที่ไม่ดีก็อย่าไปให้แม่ถ้าให้เงินแม่ไปซื้อเหล้าต่อไปก็อย่าให้เงิน ให้ของไปแทนเอขาดอะไรก็ให้ของที่ขาดไปนี่ก็แผ่เมตตาแล้วเนี่ยเพื่อดูแลแม่ให้ให้ให้อยู่อย่างสุขไม่ทุกข์ไม่ก็แผ่เ<ผ>มตตาให้อภัยแม่อย่าไปโกรธแม่ที่แม่ไปกินเหล้ามาวยาคิดว่าเป็นความอ่อนแอของแม่จิตใจยังไม่มีธรรมะที่จะสู้กับกิเลส ข, ของแม่เองแทนที่จะไปโกรธแม่ต้องสงสารแม่ะ อนั่นแหละแผ่เมตตาถึงเวลาแผ่ไม่แผช่ชอบไปหลบนั่งแผ่คนเดียวอยู่ในห้องพักคําถามจะาคุณกิงกกนะครับเลี้ยงสุนัขแล้วต้องฉีดยาฆ่าเห็บให้สุนัขทุกเดือนถือว่าบาปไหมครับบาปนก็เห็บมันก็ตายคําอัน น, น, นี้เรื่องแผ่เมตตาต่อไปแล้วนะครับไม่ถามนะครับ ได้หมดยังได้แล้วครับ ห, หมดก็จะได้เลิกกันได้มีคนหนึ่ถามมาครับโอเคครับจากคุณพีโกโนะครับสามีกับภรรยาทําบุญไม่เท่าเทียมกันชาติใหม่ได้เจอกันอีกไหมและจะได้เป็นสามีภรรยากันอีกไหมก็เหมือกับขับรถสองคันเนี่ยถ้าคันหนึ่งขับเร็วกว่าอีกคันขับช้ากว่าเดี๋ยวมันก็ต่างกันไม่ทันเนี่ยถ้าจะให้รถสองคันต่างทันมันก็ต้องวิ่งพร้อมๆกัน เดิมเท่าๆกันมันก็จะตามกันทันอันนี้ก็เป็นเป็นการเปรียบเทียบแต่มันอาจจะมีเหตุปัจจัยอีกหลายอย่างที่อาจจะทําให้ได้เจอกันก็ได้ไม่เจอกันก็ได้อันนี้เราไม่ทราบก็คนหนึ่งตายไปก่อนอีกคนตายทีหลังลเอเีกคนไปเกิดก่อนอีกคนไม่เกิดทีหลังมันเดี๋ยวก็เป็นพี่เป็นน้องหรือว่าเป็นพ่อเป็นลูกกันนี้มันก็มันก็อาจจะไม่ได้เป็นแฟนกันก็ได้ ำคำถามสุดท้ายนะครับอาจารย์จากคุณสุภกิจนะครับทํางานเป็นพนักงานอายการสั่งฟ้องจําเลยโดยดูตามหลักฐานที่ปรากฏในสํานวนเชื่อว่าจําเลยทําผิดแต่หากเขาถูกใส่ร้ายทําหลักฐานเท็จเข้ามาเราจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นหลักฐานเท็จเราก็คิดว่าเป็นหลักฐานตามความเป็นจริงเราทําไปตามเนื้อผ้าก็ไม่บาป ถ้าเราไปเปลี่ยหนหลักฐานนี่เองนี่มันจะบาปางังนาส่งมาอย่างไงเราก็ต้องว่าไปตามที่เขาส่งมาเพราะเราไม่มีหน้าที่ไปหาข้อมูลเหล่านั้นเป็นหน้าที่ของพนัก ง, งานสอบสวนเขาไปหาข้อมูลอะไรมาเขาส่งมาให้เราเราก็ต้องว่าไปตามข้อมูลที่เขาส่งมานอกจากเราไปดูว่ามันไม่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนี้ก็เราก็เปลี่ยนแปลงได้